เมื่อไม่ได้กรานกะถินวงเลบสองผ้าที่เกิดขึ้นตลอดเจเดือนในเมื่อไม่ได้กรานกะถินวงเลบสแม้ผ้าที่เขาถวายเจอะจงในการนี้ชื่อว่าอาการละจีวรนพิกุณีอธิษฐานอาการละจีวรเป็นการละจีวรแล้วให้แจกกันต้องเอาบัตทุกกฎในขณะที่แจกจีวอนเป็นนิสกีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สง์ แก่คณะหรือแก่ภิกษุณีรูปหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุณีพึงสละจีวรที่เป็นนิสกีอย่างนี้